บทที่หกสิบเจ็ดมสีใจครับที่เป็นต้นเหตุทำให้พวกเราทุกคนเดือดร้อนในคืนนี้เสียงพึรรมพำเบาๆแว่วมาจากจอมพเนจรพร่านใหญ่ยิ้มกล้านๆแงนขึ้นไปมองดูกิ่งใบหนาทึบของพยาม้าใหญ่อีกครั้งมือลูบเบาๆอยู่ที่เปลือกลำต้นอันสากระด้านของมันมันเป็นเรื่องอุบัติวะเหตุนะ่ะแง่าซาย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 เมื่อทั้งสองข้ามลำธารกลับขึ้นมายังบริเวณแคมป์เชตฐามาเรียและชายันกำลังช่วยกันแก้ไขแพทย์หญิงนักมนุษยวิทยาสาวอยู่พวกพลานพื้นเมืองจัดการก่อไฟขึ้นใหม่กองใหญ่และเก็บข้าวของที่ถูกพายุพัดกระจัดกระจายกาดเกลื่อนอยู่ทั่วบริเวณดูชุนละมุนไปหมดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทาให้ทุกคนไม่มีใครง่วงหรือคิดที่จะหลับนอนกันต่อไป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 เกิดพายุขึ้นมาครู่นี้เองตอนนั้นเธอหลับไม่รู้เรื่องเลยพวกเราก็โอนละหมานกันไปหมดทั้งแคมป์มีเธอคนเดียวเท่านั้นแหละที่นอนหลับเป็นตายไม่รู้สึกตัวสักนิดเอ้าหญิงสาวร้องลั่นยกมือขึ้นกุมหัวตายละทำไมฉันถึงไม่รู้สึกตัวเลยนะตอนนั้นอะ่ะไอ้ฉันไม่เคยนอนขี้เซาถึงเพียงนี้เลยนะไอ้ไม่ไหจะเป็นไปได้แลวรู้สึกยังไงมั่งอ่ะตอนเนี้ยชยันถามเบา จ้องตาขมิงก็ปกตินี่ไม่เห็นเป็นไรสักหน่อยลอนตอบยกมือขึ้นปิดปากเาาและสะบัดแขนออกไปอย่างเมื่อยขบนั่งทำเหมือนจะคิดอะไรอยู่ครู่หนึ่งก็กล่าวต่อมาด้วยน้ำเสียงตื่นตื่นว่าแต่ฉันฝันแปลกนะไม่เคยฝันอย่างนี้มาก่อนเลยมาสะดุ้งตื่นก็เพราะถูกปลุกนี่แหละเธอฝันว่าไงน้อยมารียถามมาโดยเร็ว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 สวยอย่างชนิดที่เกิดมาไม่เคยเห็นใครสวยอย่างนี้มาก่อนเน่ะแล้วก็ยังจำํำคาวหน้าของหล่อนติดตาได้จนกระทั่งเดี๋ยวนี้หลอนนุ่งผ้ายกสีจําปาสบเฉียงสีทองผมยาวถึงเอวด้วยละ่ะลักษณะท่าทีของหล่อนนั้นน่ารักเหลือเกินหล่อนพูดคุยกับฉันอยู่สักพักเหมือนคนที่เคยรู้จักกันมาก่อนแล้วก็ชวนฉันออกไปเดินเล่นเก็บดอกไม้กับหล่อนในฝันนั้นฉันก็บอกไม่ถูกเหมือนกันนะ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 ความฝันดีของเจ้าตัวเองแล้วพรานใหญ่ก็เข้ามานั่งรวมกลุ่มอยู่กับคนของเขาซึ่งเรกันเข้ามาล้อมวงซุบซิในายหญิงจะต้องเป็นคนมีบุญแล้วก็โชคดีที่สุดบุญคำกระซิบพวกเราน่ะโดนหนักกันหมดทุกคนเกือบไตหงตดหา โอ้แต่นายหญิงตอบฝันดีไปซะนี่นางตะเคียนทองเนละชอบนายหญิงแน่ๆเข้าสิงชักจูงตัวนายหญิงไปเพื่อรลอยพวกเราตามไปที่ต้นตะเคียนนั่นบังคับเอาสมาโทษจากเราให้ได้รพินไม่เอ่ยอะไรทั้งสิ่งนั่งสุบุริเีเงียบๆฟังคนของเขาคุยกันเองนี่มันแบบเดียวกันกับที่ไอเ้เซยถูกผีอียขินมาล่อเอาตัวไปคราวนั้นแหละ ผิดกันแต่ว่าไอเ้เซยนะเกือบตายโหงฟื้นขึ้นมาและสะบักสะบอมแทบเอาชีวิตไม่รอดแต่นายหญิงตื่นขึ้นมาไม่ยักเป็นอะไรเลยซักอย่างสบายดีที่สุดจันว่าระหว่างที่พวกนั้นกำลังนั่งล้อมวงคุยกันอยู่ชายันก็เดินตรงมาร่วมด้วย ลักษณะของเขาอ่อนเปรี้ยหมดเรี่ยวแรงอยู่ในความมึนงงที่ไม่สามารถจะคลี่คลายไปได้พอมาถึงก็ซุดตัวลงนั่งบนกองสัมภาระตรงหน้ารพินกรอกบันดีใส่ปากเสียไหอึกแล้วสะบัดหน้ายกมือขึ้นกุมหัวมองจับไปที่พรานใหญ่และทุกคนที่ร่วมวงอยู่เงียบเงียบนายหญิงเป็นยังไงบ้างล่ะนายทหารบุญคําถามขึ้นเบาๆก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรนี่ตอนนี้ก็หลับไปอีกละ่ะ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 เพียงแต่สงสัยว่าทำไมเขาถึงตกใจตื่นขึ้นมาท่ามกลางวงล้อมุงดูของพวกเราเท่านั้นแล้วก็แปลกใจตัวเองในข้อที่ว่าตอนที่เกิดพายุใหญ่ตามที่เราบอกทำไมเขาถึงไม่รู้สึกตัวเลยพอพี่ชายกลบเกลื่อนบอกให้นอนเขาก็นอนหลับไปอีกอย่างง่ายๆตอนนี้เชษฐากาเมก็ทำเป็นหลับขนาดอยู่ใกล้ๆแต่คอยสังเกตอยู่สำหรับผมนี่เห็นจะหลับไม่ลงแล้วละ่ะจิตใจมันสับสนโ อ, นอนลหมานพิลึกพิลั่นไปหมด ก็เห็นจะไม่มีใครหลับได้อีกแล้วล่ะครับในทหารเกิดพูดขึ้นพร้อมกับยิ้มแห้งๆ แ, และมันก็เป็นความจริงตามที่เกิดว่าประสาทของทุกคนสัมผัสกับเหตุการณ์อันตื่นเต้นระทึกขวัญใช่จนไม่มีกระจิตกระใจจะนอนต่อได้แม้แต่เชิฐากระมาเรียเพราะอีกพักใหญ่ต่อมานั่นเองทั้งสองก็เดินออกมาจากเพิงพักเข้ามาสมทบกับทุกคนด้วยโดยสั่งให้งแงซายทําหน้าที่เป็นองครักษอยเฝ้าดา่ินในขณะที่หล่อนหลั่่่่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 มาเรียผู้ไม่เคยเข้าใจอะไรมาก่อนเลยเอ่ยถามขึ้นด้วยเสียงแหบสัน่นหล่นตกอยู่ในฐานะเช่นเดียวกับขยินนั่นก็คือแทบหัวใจหยุดเต้นไปด้วยพฤติการที่เกิดขึ้น่อนไม่สะทกสะเทือนพลันพึงต่อพายุวิปริตเพราะมีความเชื่อมั่นวันนั้นเป็นเรื่องธรรมชาติแต่เต็มไปด้วยความหนกตกใจอย่างยิ่งนับตั้งแต่ค้นพบรอยเท้าของดารินที่เดินท่องเที่ยวไปในราวป่าใหญ่ กลางดงคนเดียวกลางดึกและ ว, วาระสุดท้ายไปพบนักมานุษยวิทยาขึ้นไปประดิษฐานแก่งไกวชิงชาเถาวันอยู่บนต้นตะเคียนในอากาศกิริยาที่ผิดแผลกไปกว่าสภาพเดิมมิหนำซ้ำภาษาที่ใช้พูดโต้อตอบกับรพินและงแงซายก็ยังเป็นภาษาที่โดยปกติแล้วดารินไม่สามารถจะพูดได้ตลอดจนการกลับฟื้นคืนสติขึ้นอีกครั้งของเพื่อนสาว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 นั่นเป็นสิ่งที่เราควรจะพอใจที่สุดแล้วคุณเปรียบเสมือนเจ้าป่าผ่านเหตุการณสารพัดชนิดในอาณาจักรใครมาแล้วคุณย่อมจะรู้ดีสิว่าอะไรเป็นอะไรเมื่อเผชิญกับสิ่งที่เราไม่สามารถจะเข้าใจได้เราก็ขอความเข้าใจจากคุณอย่างสิทธิ์กับครูหรืออย่างผู้เยาวกับผู้อาวุโสคุณไม่ควรจะตัดบทอย่างนี้นะมาเรียตัดพ่อมา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 อย่าเคยก็แค่ได้ยินได้ฟังมาเท่านั้นแล้วเขาก็หันมาทางบุญคำสั่งมาว่าไหนบุญคำลองอธิบายให้นายแม่มฟังสิว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนี่มันเกิดจากอะไรตาพรานเท่าอึกอักอยู่ในลำคอพอเขาเตื่นมาอีกครั้งแกก็หันไปส่งภาษาพาม่า ก, กมาเรียแม่มสาวนั่งลืมตาโตฟังบุญคาตะลึง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 แต่มันก็ไม่มีเหตุผลที่จะสรุปได้ในข้อนี้น้อยทาอะไรต่ออะไรหลายสิ่งอันสําแดงถึงว่าขณะนั้นเขาไม่ได้เป็นตัวของเขาเออเองเลยสักนิดเดียวเขาพูดขหมูได้พูดกระเหลียงได้ทั้งๆที่เขาไม่เคยพูดได้มาก่อนเลยสามารถที่จะเดินไต่ไปตามกิ่งเถาวันในลักษณะที่มนุษย์ธรรมดาไม่น่าจะเดินได้และเมื่อตอนฟื้นตื่นขึ้นมาอีกครั้งก็ไม่มีอาการผิดปกติอย่างใด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 อาศัยสิงสูอยู่ตามต้นไม้ใหญ่ในป่าวันดีคืนดีจะออกมาวิ่งเล่นขับระบำทำเพลงสว่างสวยคลึกครืคร่นไปหมดทั้งป่าใั่ฉันเคยอ่านเทพนิยายและรู้จักคำนี้มาเรียรับคำโดยเร็วก้มศรีรษะลงนั่นล่ละครับลักษณะมันคล้ายๆกันกับที่พวกเราเผชิญในคืนนี้ล่ะพวกพานป่าเขาเชื่อกันว่านางไม้นะ่ะมีจริงมักจะอาศัยสิงสูอยู่ตามต้นไม้ใหญ่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 ต่อมาก็เอาหินระดมคว้างบรรดาให้เกิดพายุแล้วก็ลงท้ายขโมยตัวน้อยไปยังงั้นมาเรียครางออกมาอย่างสยองใจหล่อนมีอาการขนลุกชันขึ้นเป็นครั้งแรกหอไลสิวกายมันจะจริงหรือเท็ดแค่ไหนก็สุดแต่จะพิจารณากันเถอะจากสิ่งที่เราทุกคนเห็นกับตามมาแล้วนั่นแหละครานใหญ่กล่าวขึ้นด้วยสำเนียงเคร่งครึม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 แล้วควรมาบอกให้พวกเรารู้โถเอ้ยมัน่าจะะปิดเงียบไว้แบบนั้นนี่ก็ถ้าผมมาบอกคุณชายกับคุณชัยยันให้ไปกราบไหว้ต้นไม้ต้นนั้นใช่ในตอนนั้นจะเชื่อกันหรยอครับเขาย้อนถามมาเบาๆทั้งสองอึ้งนี่แสดงว่าคุณเองก็ไม่ยอมเชื่อถือมาก่อนเหมือนกันใช่ไหมในที่สุดชัยยันพึมพำออกมาก็ดีเหมือนกันมันต้องให้เห็นกันชัดๆใชแบบนี้ ถ้าถึงไม่ยอมศรัทธาในเรื่องนี้คุณก็เข้าใจที่จะแก้ไขได้ดีทีเดียวนี่ผมกระเชิฐานะตะลึงทำอะไรไม่ถูกเลยตอนที่เงยหน้าขึ้นไปเห็นน้อยนั่งแขวนอยู่บนเถาวันกลางลำต้นตะเคียนน่ะมันเป็นวินาทีที่สำคัญที่สุดเกี่ยวกับชีวิตของน้อยทีเดียวอะไรจะเกิดขึ้นบ้างล่ะถ้ า, ากาน้อยพลัดหล่นลงจากกิ่งเถาวันสูงนั้นพวกเราไม่มีทางจะช่วยทันแน่ถ้าขอไม่หกัก ก็กระดูกออกนอกเนื้อแน่ๆเลยบุญคําเองมก็ตกตะลึงเหมือนกันนายตาพรานเท่าเสืมิมาเสียงปราปราแล้วมองมายังระพินอย่างยกย่องนับถือสึกหัวใจกล่าวปนหัวเราะต่อมาพรานใหญ่น่ะไหวตัวดีมากที่รีบสการะขอสมาลาโทษจะไม้ตายที่สุดที่นางตะเคียนจะเล่นงานพวกเราได้ก็คือตอนที่เข้าสิงนาหญิง เอาตัวขึ้นไปนั่งแขวนอยู่บนกิ่งเถาวัลย์สูงนั่นแหละเพราะรู้ว่านั่นเป็นวิธีเดียวที่จะแสดงอภินิหารบีบบังคับเอากับพวกเราได้ถ้าพรานใหญ่ไม่รีบสมาซะนายหญิงจะต้องพลัดตกลงมาตายต่อหน้าพวกเราทุกคนแน่ๆเจ้าก็ต้องนับว่าโชคของเราทุกคนยังดีอยู่นะที่ปลายตะเคียนต้นนี้ไม่ไรก้กาดจนเกินไปนักอย่างน้อยที่สุดก็ยังยอมรับสมาและยอมเลิกรา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 บุญคำอธิบายตามภาษาของแกอย่างขึงขังแล้วมันดูเหมือนจะเป็นครั้งแรกที่ทุกคนจำต้องยอมรับฟังแกอย่างไม่กล้าคาดไอ้ผีพวกนั้นนมันไม่มีฤทธิ์เดชอะไรมากนักหรอกโดนลูกปืนที่บรรจุของอาถันของนายพรานมันก็แตกหนีไปทำให้พายุสงบลงแต่อินังตะเคียนมีฤทธิ์เดชมากกว่าผีบริวารพวกนั้นลูกปืนนาคมของพรานใหญ่ทาอะไรเขาไม่ได้หรอกจึงเอานายหญิงไปได้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 มันย่อมจับว่าเป็นการสันนิษฐานที่อยู่ในเงื่อนแง่ของเหตุผลที่สุดของหัวหน้าคณะซึ่งระพินยอมรับก็อาจเป็นได้ตามที่คุณชายว่าครับพวกเราพยายามค้นให้ลึกลงไปถึงข้อเท็จจริงตามปกติแล้วเสียงหัวเราะของผู้หญิงที่เราได้ยินแว่วมานั้นมันจะเกิดขึ้นลอยๆไม่ได้เป็นอันขาดแต่จะต้องมีที่มาก้อนหินไม่ใช่อยู่ไม่ก้อนหินน่ะไม่ใช่อยู่ไม่อยู่ก็ลอยเข้ามาได้เฉย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 ที่คุณชายพูดเมื่อกี้ยังไงล่ะครับที่เป็นตัวการบันดาลโดยอาศัยร่างกายของคุณหญิงเป็นสื่อถ้าคุณชายยันประหลาดใจในเรื่องนั้นก็จะต้องประหลาดใจด้วยว่าคุณหญิงเดินออกไปจากแท่นได้คนเดียวยังไงถ่ามกลางความมืดและเปรี่ยวทำไมถึงปฏิหารขึ้นไปอยู่บนชิงชาเถาวันได้และทำไมจึงพูดภาษาชาวเขาซึ่งแต่เดิมเธอไม่สามารถจะพูดได้นั้นขึ้นมาได้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 แต่บุญคำขยินจางตาและพรานพื้นเมืองทั้งหมดยืนยันมาเป็นเสียงเดียวกันว่าหน้าของราชสกุลสาวในขณะที่แลขึ้นไปพบครั้งแรกนั้นผิดไปจนจงไม่ได้บุญคำเห็นชัดเลยนายเห็นไหมแต่ว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะนุ่งผ้ายกห่มสบายเฉียงมีอะไรประดับวุบว่าเป็นสีทองไปหมดทั้งตัวนั่งตะเคียงต้นเนี่ย บุญคำว่าจะต้องเป็นเทวดาผู้หญิงมากกว่าเป็นพวกปีศาจเทวดามีรูปร่างหน้าตาสวยเป็นมงคลต่อลูกตาผิดไปกว่าพวกปีศาจนางตะเคียงนั่นนะ่ะมันไม่แน่เสมอไปหรอกว่าจะเป็นอะไรบางตักทีบางทีก็เป็นเทพบางทีก็ผู้คลายสุดแล้วแต่อะไรจะเข้าสิงสู่อยู่รารนี้บุญคำเชื่อว่าเป็นพวกเทวดาผู้หญิงแน่ เพราะฉะนั้นจึงไม่อาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมกับพวกเราเกินไปนักเทวดารู้ผิดรู้ชอบแล้วก็ใจดีกว่าผีแต่มีอิทธิฤทธิ์มากกว่าผีตาพรานเท่าว่าของแกไปตามเรื่องเชยันหันไปทำหน้าพิกลกระเชษฐาเออก็เข้าข้าวอยู่เหมือนกันนะเชฐิฐาลักษณะที่บุญคำบอกมันตรงกันกับที่น้อยเล่าฝันให้เราฟัง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 แต่เป็นพวกเทวนารีประจำอยู่กับต้นตะเคียนใหญ่ต้นนั้นและที่เข้าสิงเอาน้อยไปก็เพื่อจะให้พวกเราตามไปขอโทษหลอนนั่นเองไม่ฉะนั้นหลอนก็ไม่มีทางติดต่อให้เราทราบในสิ่งที่หล่อนต้องการได้หัวหน้าคณะนิ่งอึ้งไปครู่ก็ยิ้มออกมาขรึมๆทุกสิ่งทุกอย่างมาเต็มไปได้วยความลึกลับแต่มันก็ได้ปรากฏขึ้นแล้วกับตาของพวกเราทุกคน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 ม่อาณาจักรไทรอันกว้างใหญ่ไพศาลคุณย่อมเจนจบเลียดะหนักเป็นอันดีว่าสิ่งใดควรไม่ควรคุณรู้และเข้าใจอย่างทองแท้ในธรรมชาติของโลกส่วนหนึ่งโลกที่น้อยคนนักจะเข้าใจและสามารถดำรงอยู่ได้อย่างแคล้วคลาดปลอดภยัยและโลกอย่างว่านี่แหละที่คุณกำลังนำเราบุกบั่นเข้ามาเราจะพยายามอย่างที่สุดที่จะเป็นผู้ตามที่ดีของคุณโดยไม่ทาอะไรให้ขัดแยง้ง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 ก็เป็นการดีแล้วลาให้ฟังก็ไม่มีประโยชน์อะไรจะขวัญเสียสช่หรืบปลัาผมจะกำชับคนของผมทุกคนไม่ให้บอกคุณหญิงครับรบพินรับคำแล้วหันไปสั่งพรานพื้นเมืองกับขยินและสั่งปาให้รับรู้ไว้ในสิ่งที่เชษฐาต้องการอดีตท่านทูตทหารบกยกนาฬิกาข้อมือขึ้นดูและปิดปากหาวไสี่กว่าแล้วแต่ก็ยังมีเวลานอนได้อีกก่อนจะสว่าง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 แปลกใจเหลือเกินนะช้ยันเลี่ยงคขามานั่งชิดกระพรานใหญ่เอ่ยขึ้นแผ่วเบาตามปกติน้อยนะเป็นคนที่ประสาทแข็งและจิตใจมั่นคงพอดูทีเดียวมินำํำซ้ำตัวเองยังเป็นทั้งนักวิทยาศาสตร์และแพทย์เหตุการณ์เช่นนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นกับเขาได้เลยมันเป็นสิ่งยากที่จะวินิจฉัยหรือค้นหาความจริงออกไปให้ได้ชัดโสังเกตนะครับว่านับวันที่เราเดินบุก ป่าลึกเข้าไปเท่าไรความลี้ลับมหัศจรรย์ทั้งหลายมันก็เริ่มปรากฏให้เราเห็นเพิ่มขึ้นทุกขณะนิยายพิลึกกึศือทั้งหลายภายในป่าสูงมันจะไม่เกิดขึ้นได้ถ้าหากมันไม่มีข้าวเรื่องความจริงมาบ้างผมบอกไว้ตั้งแต่ออกจากกลุมช้างเลยนะครับว่าต่อไปนี้เรื่องราวที่เขาเล่า ว, ว่าทั้งหลายมันจะค้นพบออกไปด้วยตาของเราเองแล้วก็กลายเป็นนิยายต่อไป ภายหลังเมื่อเราเก็บบันทึกความทรงจำนำไปเล่าให้คนเมืองฟังแล้วเขาก็หัวเราะ อ, ออกมาเบาๆขณะที่กล่าวต่อมาว่าคุณชายสั่งห้ามให้พวกเราปิดเรื่องราวต่างๆที่พบเห็นไม่ให้คุณหญิงได้รู้เพราะมันเป็นปัญหาประเภทโลกแตกคือค้นหาคำตอบแท้จริงออกมาไม่ได้แต่ทั้งคุณชายและคุณชายยันก็คงยังไม่ทราบเหมือนกันว่าคุณหญิงเองนั้นเธอได้ผชนกับอะไรมาแล้ว แล้วก็ปิดเงียบไม่กล้าแพร่คลายให้ใครรู้เหมือนกันชัยันกมามเรียจ้องเขาอย่างพิศวงถามโดยเร็วทำไมน้อยพบเห็นอะไรเหรอจอมพรานเล่าให้ทั้งสองฟังถึงเหตุการณ์ในคืนที่ถูกฝูงหมาในไล่ขึ้นไปติดอยู่บนถ้ำอยู่ในถ้ำบนหน้าผาและถูกล้อมโดยพวกสางเขียวซึ่งวิญญาณของนางเทีย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 ภายหลังจากที่เขาได้สั่งไขยแล้วชายันกับมาเรียถึงกระตาเหลือกในเรื่องราวที่ระพินถ่ายทอดให้ฟังไม g ก d ไนี่แปลว่าวิญญาณของหญิงตองเหลืองช่วยน้อยกับคุณไว้งั้นเหรอแม่สาวร้องลั่นออกมาผมก็ไม่ทราบจะลงความเห็นได้ยังไงถูกเหมือนกันนะครับเพราะทั้งหมดที่เล่าให้ฟังนี่เป็นเรื่องราวที่คุณหญิงพบเห็นและบอกผมอีกทีหนึง่ง ขณะนั้นผมก็เป็น่า้หมดสติอย่างที่บอกแล้วมารู้สึกขึ้นเลื่อนๆรางๆก็ตอนที่ได้ยินเสียงปืนต่อสู้ของคุณหญิงแล้วและทำไมน้อยถึงไม่ได้เล่าให้ผมกระเชิดถาฟังเลยนะเรื่องนี้ชยันครางบางทีจะเป็นเพราะเธอมีความคิดเช่นเดียวกับที่คุณชายสั่งเราไว้เมื่อตะกี้นี้ละมั้งครับคือไม่อยากให้เกิดเป็นปัญหาขบคิดใดๆต่อไปอีกทั้งสิน้นมันแสดงให้เห็นว่า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 ขณะที่นำขึ้นไปถึงบนถ้ำแล้วคุณก็ยังได้พูดจาโต้อตอบกับผู้หญิงตองเหลืองคนนั้นใช่ไหมครับพูดกันซะด้วยซ้ำอันนี้แหละที่ทำให้ผมค้านคุณหญิงหัวชนฝาว่านางตองเหลืองที่นำเราหนีขึ้นไปนั้นเป็นคนจริงๆส่วนที่เห็นภาพนากลัในตอนดึกเน่ะผมว่าคุณหญิงฝันไปแต่เธอก็ยืนยันเต็มที่เหมือนกันว่าเธอไม่ได้ฝันอ่ะแล้วเดี๋ยวนี้ล่ะคุณเชื่อยังไง เกี่ยวกับเรื่องนางตองเหลืองลึกลับคนนั้นพรานใหญ่ยักไหล่ผายมือออกกว้างออกไปแล้วทิ้งลงพร้อมกัะถอนใจเขือกผมตัดสินใจหรือลงความเห็นยังไงไม่ถูกทั้งสิ้นครับมันก็คงเหมือนเหมือนกับเหตุการณ์ที่เราเผชิญกันในคืนนี้แหละผีนั่นแหละนายคนที่ไหนมันจะนําทางให้นายกับพรานหญิงกับนายหญิงในยามคับขันเข้าได้เขาเข็มตอนนั้นล่ะบุญคําสอดมา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 จริงทีนะนึกออกละถ้าไมงั้นบุญคําจะกล้ารับอาสาออกนําทางในเวลากลางคืนได้ยังไงพวกเราเปลี่ยนแผนมาเป็นเดินทางในตอนเช้าซะภายหลังจากที่จับเจ้ารู้ไว้ได้นี่ชายันเห็นพองด้วยกระคําของแกแล้วเขาก็หัวเราะออกมาอย่างขัน ข, นขันขณะที่มองหน้าพรานเท่ากระดูกเหล็กความจริงบุญคําก็ขลังไม่ใช่น้อยนะคือนี่ทําไมถึงไม่ปราบนางตะเคียนให้อยู่หมักจ้ะ บอกยอลวาวาและกับพวกเราซะย่ำแย่ฉันเห็นบุญคำตัวสั่นเม่นเจ้าเข้าทีเดียวนะตอนนั้นน่ะบุญคำยกมือขึ้นรูปหัวยิ้มแห่งๆโถในทหารก็บุญคำบอกแล้วนี่ว่าผีอื่นๆนะบุญคำปราบได้แต่ผีเจ้าประเภทนางตะเคียนเจ้าปลาเจ้าเขาบุญคำสู้ไม่ไหวหรอกเห็นฤทธิ์มันสนักต่อ น, นักแล้วเราให้ฟังก็ว่าโกหก ต้องให้มาเจอเขาชัดๆพร้อมกันอย่างนี้เลย่งคราวนี้เชื่อบุญคำมั้ยยังอ่ะหมอผีที่ว่าเก่งสักขนาดไหนถ้าไปลองริษกนางตะเคียนข้าเห็นตายมาหลายรายแล้วไหนลองเล่าให้ฟังมั่งดิเคยพบเห็นเหตุการณ์ยังไงมามั่งอ่ะเกี่ยวกับนางตะเคียนอย่างอย่างที่บอกอ่ะชายันซักไซ้มาอย่างสนใจตาพราณเท่าชำเลืองไปทางระพินอย่างเกรงใจหัวเราะแห่ อย่าให้เล่าเลยนาทหารปรเดี๋ยวนายด่าบุญคำว่าเอาเรื่องเหลวไหลมาพูดนายของบุญคนะําน่ะเป็นพรานสมัยใหม่ปากก็บอกว่าไม่ยอมเชื่อเรื่องอย่างงี้แต่บุญคําแปลกใจนะเพราะแอบเห็นนายนะ่ะใช้คาถ า, าคมอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่ไม่ยอมบอกเท่านั้นบุญคําเห็นเองอะจะเล่าอะไรก็เล่าเถอะบุญคํารับรองว่าไม่ขัดคอแล้วก็ไม่ต้องาพาดพิงมาถึงชั้นด้วยนะ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 เที่ยวได้สร้างสัมพันธ์สวัสดไว้กับสาวทุกหมู่บ้านเท่าที่เท้าทั้งสองของมันจะย่ำบุก ป, ป่าไปถึงแต่มันก็ไม่ได้เอามาเลี้ยงร่วมชายคาวไว้สักคนเดียวเพราะมันไม่มีปัญญาจะเลี้ยงเมียได้การงานก็ไม่เอาทานอยู่เป็นไอ้คนร้อนวิชาไปช่วยวันวันหนึ่งเรื่องวิชาน่ะมันเก่งจริงๆบุญคำกล้ารับรองได้ขนาดลูกสาวกำนันโขใครๆก็รู้ว่าแกเป็นไอ้เสือเก่า ดุเหลือหลายข้าคนมาชนะนักต่นักแล้วแลแ้วแกก็หวงลูกสาวเป็นที่สุดแต่ไอ้ม้วนน่ะเสกมากให้กินคำเดียวไม่แล่นตามมาเลยกำนันยกพวกมาร่วมสามสิบปืนฐาหน้าไม้พร้อมบุญคำนึกว่าหมู่บ้านของบุญคำมันจะถึงคราววอดวายกันคราวนี้แต่ไอ้ม้วนยังนั่งหัวรอกระดิกตีนเฉยเฉยมันบอกให้บุญคากับพวกชาวบ้านทุกคนเฉยไว้เพราะกำนันโหกับพวกมาถึงก้าจริง มันก็ออกไปไหวบุญคำนึกว่ากำนันจะยิงมันเหมือนยิงหมาปรากฏว่าไม่ยักทาอะไรมันยืนจังงังไปซะชิดแล้วก็บอกให้มันเอาดอกไม้ทูบเทียนไปขอขอมาไอ้มวนก็ฝากเมียมันกลับไปกับพ่อตารับว่าจะเอาผู้ใหญ่ไปพบพ่อตาอีกตำมนันโห o ก็ไม่เห็นมีฤทธิ์อะไรขึ้นมาเหมือนอย่างที่ควรจะมีบุญคายืนยันถึงความขลังของจำมวนขุนแผนที่แกเห็นมากตา คันแล้วอยู่มาวันหนึ่งนั่นเองจะมวนก็มาบอกแกหน้าตาเฉยฉันนีติแกฟังแล้วถึงก็ตาเหลือกพี่คำขออะไรสักอย่างได้ไหมมึงจะอะไรจากกูไอ้มวนเจ้ามวนยิม้มกลิ่นก็ลูกสาวคนสวยของพี่คำยังไงละ่ะทุษไอ้มวนไอ้ชิบหายบาเลายกูมึงเอาอะไรมาพูดวะกูมีลูกมีเมียที่ไหนมึงถึงจะมาขอกูเน่ หมอม้วนขุนแผนหัวรอกคิกๆอ้าวก็ลูกสาวคนสวยที่อยู่ใต้ต้นตะเคียนท้ายไร่ของพี่คำยังไงล่ะโอ้ต้นใหญ่เหนือห้วยใกล้ๆ ก, กระท่อมฉันนั่นแหละตะเคียนต้นนั้นนมันอยู่ในเขตไร่ของพี่คำฉันก็เลยต้องมาบอกกล่าวซะก่อนเป็นการเคารพน่าฉันเลยนะพี่คำไอ้มวนนี่มึงหมายความว่ามึงเห็นนางตะเคียนต้นนั้นเหรอผู้ใหญ่บุญคำร้องลั่นออกมา เห็นมาสามวันติดๆกันละตอนโพรเพะตะวันชิงพรบมม้วนตอบอย่างกระยิ่มหูตาพราวไปหมดยกมือขึ้นรูปริมฝีปากอย่างหมายมัน่นเงียบๆไปนะพี่คำอย่าเ อ, อะอะบอกใครไปโอ้โหสวยสเสด็จอย่าบอกใครเลยหนุ่มอย่างนี้อันลลางตั้งเต้าอย่างกระดอกบัวอเอวคอดเป็นมดปันนอยตะโพกสุดเสียงสัง ขาเหมือนลำหยวกแล้วก็คท้าเหมือนไข่ปอกเวลาแม่สยายผมเล่นแสงแดดผีตากผ้าอ้ อ, อมหนุ่มกระเพื่มเห็นแล้วเออทีนั่นมันพรายตะเคียนนาะมึงนาะไม่ใช่คนก็พรายตะเคียนนะดิใครว่าคนเล่าเฮย้ยมีเมียคนมามากแล้วคราวนี้จะลองมีเมียเป็นนางตะเคียนดูมั่งไงมึงจะหาเรื่องไต่หาสช่แล้วไอ้มวน เล่นกับคนยังไม่พอนี่ยังจะรีเล่นกับผีกระสางอีกเหรออย่าไปเสือกเล่นกับเที่ยงนาเดี๋ยวจะหาว่ากงไม่เตือนเออน้าพี่คำขอดูฝีมือฉันกันแล้วกันจะเจ้านางตะเคียนต้นนั้นมาทํามีให้ได้ไม่งั้นอย่าเรียกว่าหมอมวนขุนแผนดินาะเจ้ามวนบอกอย่างลำพองใจภายหลังจากห้ามปรามทัศทานสักเท่าใดก็ไม่เป็นผลแล้วผู้ใหญ่คําในขณะนั้นก็บอกว่าเออ ตามใจมึงเท่าหร่เมื่อมึงถือว่ามึงดีมีวิชาก็ลองดูขอให้รู้ว่ากูเตือนมึงแล้วนะมึงนาะแล้วก่อนตะวันจะชิงพลบของเย็นนั่นเองผู้ใหญ่บุญคำและชาวบ้านทุกคนก็เห็นหมอม้วนขุนแผนเอาสายสินไปพันไว้รอบต้นตะเคียนใหญ่เหนือฝั่งห้วยปลายด้านหนึ่งโยงเข้าไปในกระท่อมที่อาศัยซึ่งปลูกอยู่ไม่ห àng, ่างจากต้นตะเคียนออกมานัก เจ้าคนที่อุตริคิดจะเอานางตะเคียนเป็นเมียนั่งเข้าสมาธิบริกรรมตามพิธีการของมันซึ่งไม่มีใครสามารถเข้าใจแต่ก็เฝ้าจับตาสังเกตอยู่ห่างๆภายในเย่าเรือนของตนโดยไม่มีใครเกี่ยวข้องด้วยพอตะวันลับป่าน้ำค้างยังไม่ทันตกนั่นเองทุกคนที่อยู่ในเรือนตนก็ได้ยินเสียงกิ่งใบของตะเคียนต้นนั้นสั่นสะเทือนอยู่คลื่นโครม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 โวให้ทุกคนฟังว่าภายในไม่เกินสามคืนมันจะต้องได้นางตะเคียนตามปรารถนาตอนนี้เขายังเล่นตัวอยู่แต่รับรองทนเวทมนต์ฉันไม่ได้หรอกเมื่อคืนนี้นะ่ะดินจนต้นตะเคียนแทบโคนได้ยินเสียงกันแล้วไม่ใช่หรอเจ้ามวนว่าตกค่ำคืนที่สองก็มีลักษณะการเช่นเดียวกับคืนแรกแตะเคียนต้นนั้นไหวโยกราวกับจะถอนรากถอนโคน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 แลไปก็เห็นกระท่อมหลังนั้นไหวคลอนไปหมดทั้งหลังเหมือนจะพังทลายลงเรากลับจะมีการต่อสู้อะไรกันขึ้นอย่างรุนแรงส่วนตะเคียนใหญ่ต้นนั้นคืนนี้กลับยืนต้นสงบเงียบเป็นดึกชนีไม่ได้สั่นสะเทือนหรือมีปฏิกิริยาอย่างใดผิดไปกว่าสองคืนแรกทุกคนเข้าใจกันว่าคนร้ายหรือพวกโจรเข้าปล้นและทาร้ายเจ้ามวนจึงชวนกันฉวยมีดพรรอาวุธ พร้อมด้ครบท้วิ่งตรงไปที่กระท่อมนั้นทันทีโดยการนําของบุญคำพอผลักประตูกระท่อมเข้าไปพร้อมกระแสงคบใต้ที่ซองสว่างมองเห็นภาพในกระท่อมได้ถนัดต่างก็พากันยืนตะลึงงันกันไปหมดมอมม้วนมือถือดาบกระโดดโลดเต้นเป็นฮนุมานอยู่บนฟากกวัดแกงดาบฟาดซ้ายปลายขวาอุตลุดไปหมดเหมือนกับจะต่อสู้กับอะไรสัก อย่างที่มองไม่เห็นตัวตาทั้งสองข้างหลับบา ก, กตะโกนขอความช่วยเหลือและโอดโอยเอ็ดอึงไปหมดเสียงร้องของมันฟังไม่เป็นภาษาคนลักษณะเหนื่อยหอบอ่อนเปรียยแทบจะทรงกายยืนอยู่ไม่ติดแต่กระนั้นก็ยังควงดาบชะออกไปรอบทิศกระทบฝาขัดแตะและเสาไม้ไผ่เบอเบอปลิวกระจายเป็นสะเก็ดไปด้วยคมดาบบุญคาร้องตะหวาดออกไปสุดเสียง เพื่อจะปลุกให้คืนสติแต่เจ้ามวนก็จะจะรู้สึกตัวก็หาไม่คงแหกปากร้องแล้วหวดดาบกระนำฟันอากาศรอบตัวอยู่เช่นนั้นพอได้จังหวะแต่ก็กระโจนเข้าล็กอกคอเจ้ามวนไว้ทางด้านหลังบิดข้อมือจนดาบหลุดชาวบ้านที่ตามมาด้วยทั้งหลายก็กรูกันเข้าไปช่วยจับเจ้าตัวหมอผีเอาไว้ร่างของมวนล้มผางลงบนฟากดินสะบัดและร้องครวญครางอยู่เช่นนั้น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 อาคมของตัวเองนะไม่ถึงแม่ก็เลยเอาซะตายชัยันฟังด้วยอาการตะคร่้นตะครอยยังไงพิกลเปิดกระติกแบรนดีออกดื่มหนักๆอีกครั้งจะบุญคำทำยังไงต่อไปละ่ะสำหรับตะเขียนตนนั้นมาเรียถามเป็นภาษาพมา่ามาอย่างสะทานใจเมื่อระพินทาหน้าที่แปลเรื่องราวที่ตาพรานเท่าเล่าให้หล่อนฟังคร่าวๆบุญคาจะทายังไงละ่ะนายหญิง ก็ปล่อยให้มันอยู่อยังงั้นแหละไม่กล้าไปแตะต้องยุ่มญ้าอะไรด้วยอีกรอกหลังจากเจ้าม้วนตายแล้วบุญคำก็ตั้งศาลบวงสวงขอขมาสาบานว่าจะไม่ไปลบหลูก่ก้าวกายอะไรอีกขอให้ต่างคนต่างอยู่ก็เลยเงียบไปไม่มาแผลงฤทธ์แรงควานอะไรคนในหมู่บ้านแต่วันนี้ขึ้นดีพวกชาวบ้านก็มักจะเห็นปรากฏตัวมาเดินอยู่ริมดินม้วยเป็นประจำแล้วตะเคียนต้นนั้นเดี๋ยวนี้ยังอยู่หรือเปล่า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 บินทบาตขอบริจาคอาหารจากนางไม้พวกนี้พอให้อยู่รอดไปชั่วมือพระธุด ง, ง์เคร่งเคร่งที่สามารถเดินไปในป่าลึกมีชีวิตรอดอยู่ได้ก็เพราะอาศัยบินธบาตจากนางไม้พวกนี้แหละพูดเล่นไปนาบุญคำช ย, ยันร้องพูดจริงนาทหารบุญคำไม่ได้พูดเล่นหรือโกหกนะจะยืนยันถึงขังพระธุดง์ท่านเล่าให้บุญคาฟังเองนะเนี่ยท่านเป็นพระ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 และพระประเภทที่บุญคําว่านี่ก็คงจะใกล้พระอาราหันต์เข้าไปเต็มทีแล้วละ่ะทำไมจะบินธบาตไปจากนางไม้นางตะเคียนไม่ได้เวลาที่ท่านไม่รู้จะไปบินธบาทไปจากมนุษย์ที่ไหนในป่าลึกกันดานน่ะข้อนั้นน่ะฉันพอเข้าใจนะแต่ฉันสงสัยอ่ะว่านางไม้นางตะเคียนจะไปเอาอาหารจากไหนมาตักบาทให้พระได้เขาพูดปนหัวเราะอารมณ์เปลี่ยนมาเป็นสนุกสนานในการคุยกตาพรานเท่า ในเรื่องนี้เพราะไม่เคยได้ยินมาก่อนนางไม้นางตะเคียนที่จะตักบาตรท่าพระธุดงได้นะ่ะจะต้องเป็นพวกเทวนารีทั้งนั้นนะไม่ใช่พวกพูดพลายพูดอีกทีก็คือพวกเทวดานั่นแหละเมื่อเป็นเทวดาก็ต้องตักบาตรอาหารทิพไกกับพระสิในทหารแม่เทวดาผู้หญิงพวกนี้ก็อยากจะได้กุศลเหมือนกันนี่โอ้ยขี้คร้านจะแย่งกันตักบาตรจนท่านรับไม่ไหวซะอีก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 อธิบายได้เข้าเขานี่ก็แล้วเมื่อใจบุญมีหลักธรรมนักถือพระเจ้าก็ทำไมถึงมาเที่ยวเกะกะระรานมนุษย์เป็นต้นวนหลอกหลอนสแสดงฤทธิ์เดชต่างๆอ้าวนายทหารก็เทวดาก็ยังมีกิเลสตัณหาอยู่เหมือนกันเน่ยยังตัดไม่ขาดสักทีเดียวนี่ยังรู้จักโลภหลงมีโทสะโมหะเหมือนมนุษย์เรานี่แหละถ้าทาไม่ถูกจอถูกรังแกเข้า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 นอกจากนานๆครั้งชัยยันจะหันมาอธิบายให้ฟังหรือมิฉะนั้นบุญคำก็พูดด้วยภาษาพมา่าแล้วต่อมาอีกครู่เดียวหล่อนก็พละแยกไปนอนคงมีแต่กลุ่มพรานพื้นเมืองโดยบุญคำเป็นหัวหน้าและชัยยันเท่านั้นที่ยังคุยกันอยู่อย่างสนุกสนานระหว่างที่ชัยยันยังจับกลุ่มคุยกับพวกนั้นซึ่งต่างสรรหาเรื่องราวพิศดาพิลึกพิลั่นในป่า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 ทุกคนพร้อมหน้ากันในยามเช้าหล่อนสดชื่นและแข็งแรงดีเหมือนคนที่ได้รับการพักผ่อนมาอย่างเต็มที่ทำกลางการเฝ้าจับสังเกตจังพิษสวงของพักพวกทั้งหมดนักมานุษยวิทยาสาวไม่มีโอกาสจะรู้เลยว่าเมื่อตอนดึกของเมื่อคืนที่แล้วมาได้เกิดอะไรขึ้นกับตัวหล่อนทุกคนปิดความเงียบไม่ได้แพร่คลายอะไรทั้งสิ้นตามคำสั่งของเชษฐา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 ความเงียบปกกลุมไปชั่วขณะเมื่อมาเรียสุดตัวลงนั่งคุกเขา่าบรรจงวางช่อดอกไม้ป่าและใบเฟิร์นที่มัดรวมกันเป็นรีดวางไว้เหนือหลุมศพพร้อมกับปอยผมของหลอดที่เชิด้าเป็นคนตัดให้ตอนเปลี่ยนทรงผมพัญญาไม้ของนักสำรวจผู้สังเวยชีวิตให้แล้วแก่งงานของเขาลุกขึ้นยืนอย่างเสื่อซึมหยาดน้าตาคลอเบ้าทั้งสอง ขอให้พระผู้เป็นเจ้าจงรับวิญญาณของเธอขึ้นสูงสวรรค์เถอะลากอดสเตเกอร์ลาชั่วดิรัตหลอนกระซิบแผ่วเบาในภาษาเดิมของตนเองแล้วหลับตาขมเออื่นนิ่งไปอีกชั่วอึดใจก็เหวี่ยงไรเฟิลสปายไลยิ้มเศร้าๆมาที่เชษฐาบอกว่าฉันพร้อมแล้วกับพี่ใหญ่ราชสกุลหนุ่มหัวหน้าคณะยิ้มให้อย่างปลอบใจ เดินเข้ามาโอบแขนรอบไหล่แมมสาวและตบหนักหน่วงที่ต้นแขนจากนั้นก็บกมือกับทุกคนเป็นความหมายให้เคลื่อนที่ได้โดยไม่เอ่ยคำใดอีกทั้งสิ้นรพินไพรวันยกมือขึ้นแตะปีกมวกทรงอาการคาระวะอำลาหลุมศพของนักสารวจเยอรมันเป็นครั้งสุดท้ายและถอยห่างออกมาเป็นคนหลังสุดการเดินทางอันฝากทุกสิ่งทุกอย่างไว้กับโชคชะตาก็เริ่มต้นต่อไป ท่ามกลางความเงียบเชียบอันแวดล้อมไปด้วยบรรยากาศเฉลกดต่อมาทุกคนก็ละบริเวณที่พักและทรากอันนอนสงบนิ่งอยู่ภายใต้พื้นดินของด็อเตอร์ฮอฟมันไว้เบื้องหลังอย่างไม่คิดว่าในชีวิตนี้จะได้หวนกลับมาเห็นอีกนอกจากเหตุการณ์อันประทับแน่นอยู่ในความสงจำเท่านั้น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 ถ้ามันไม่ออมฝีเท้าเพื่อจะเดินตามเขาเพราะถือว่าเป็นผู้นําแล้วมันคงจะทิ้งเขาล่วงหน้าไปไกลลิฟชนิดตามไม่ทันทีเดียวตรงข้ามกับคณะไหนจกักซึ่งเดินไต่รวมกลุ่มกันอยู่เบื้องหลังของเขาทิ้งระยะห่างประมาณร้อยเมตรโดยมีมาเรียกรดารินคู่หนึ่งอยู่เบื้องหน้าของเชษฐากับชายันทั้งสี่เหงื่อออกชุ่มโชกกายเหมือนอาบน้ําทั้งตัวจนไหล ย, ย้อยเข้าตา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 ก็เท่ากับยอมผ่อนพักให้ซึ่งจะทำให้การเดินทางทวงช้าลงไปอีกความรู้สึกที่ฝากไว้กับคณะนายจ้างเพื่อให้ทุกคนมุมาณะอยู่ตลอดเวลาว่าจะต้องกระชั้นเข้ามาให้ทันเขานั้นย่อมเป็นการเร่งร้าวให้เกิดอำนาจบากบั่นไปในตัวหุนทางที่อาศัยไต่ขึ้นไปเป็นทางน้ำตกไหลลงจากเขาซึ่งบัด น, นี้แห้งผากเต็มไปด้วยฝุ่นหิน ทมกลางปาไผ่ที่เหลืองอารามและใบร่วงกร้นเพราะความแห้งแล้งอากาศอ้าวระอุเหมือนอยู่ในเตาอบไม่มีสัตว์ชนิดใดให้เห็นแม้แต่นกซักตัวเดียวนอกจากไอแดดที่แผดจ้ามองเห็นสันพลิ้วระยิบระยับไปหมดลูกหาบทั้งสามคู่ค่อยๆประคองหาบสัมภาระคืบตามมาเบื้องหลังอย่างระมัดระวังเพราะเกะกะของประกอบกับหนทางอันไม่สะดวก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 ดารินก้าวเหยียบแง่ดินปนกรวดลื่นถลยจะหล่นกลิ้งลงไปเพื่อนสาวต่างผิวหันมาควา้าติดชายเสื้อของหล่อนไว้ได้อย่างบวุดวิดและนอนค้างพังภาพกันอยู่ในลักษณะเช่นนั้นโดยที่มือหนึ่งของมาเรียเหนียวเง่าไัยอันหนึ่งไว้เป็นที่ยึดเชถดาไตาตามขึ้นไปทันช่วยแก้สถานการณ์อันมินเมนั้นเอาไว้ได้อย่างทุลักทุเลและไม่นานนักมาเรียเองก็โหนเอากิ่งแห้งเปาะ กิงไผ่แห้งเปราะเพื่อจะร่างกายขึ้นไปมันหักสะบั้นลงเพราะทานน้ำหนักตัวไม่ไหวแมมสาวเสียหลักหมุนคว้างไหลทะไหลลื่นลงมาตามทางลาดดารินเป็นฝ่ายช่วยข้อมือทันบ้างแต่ก็พากันคลูดลงมาเพราะน้ำหนักหน่วงโชคดีที่ติดเช็ดเท้าไว้ได้อีกทั้งสองหญิงเลือดซิบทั้งแขนและขาถลอกบอกเบิกกันไปหมดทั้งตัวโดวยเฉพาะมาเรีย้ําไผ่อันแหลมคม เกี่ยวทะลุเสือ้อแหวะหน้าอกด้านหนึ่งของหล่อนเป็นแผลค่อนข้างลึกจนดารินต้องเอาพลาสเตอร์ปิดห้ามเลือดให้ใช้ยันนาทีแรกก็ไตเคียงคู่มากระเชิท้าแต่แล้วพอเข้าชั่วโมงที่สามก็ล้าหลังลงไปรวมกลุ่มกับพวกลูกหกักระวังหน่อยไปกันช้าๆก็ได้ไม่ต้องรีบร้อนทางมันชันเหลือเกินหัวหน้าคณะร้องเตือนน้องสาวกับมารียเบาๆ ทางส่งไรเฟิลของดารินที่พลัดหลุดมือกลิ้งมาที่เขาส่งขึ้นไปให้ดารินฝืนยิม้มยกหลังมือเช็ดเหงื่อที่ชุ่มอยู่บนเปลือกตาแล้วแงนมองขึ้นไปยังร่างของพรานนาทางกับส่างปากซึ่งขณะนี้ยืนพักอยู่ที่บริเวณแงร่รากใ บ, บใหญ่ต้นหนึ่งห่างขึ้นไปร่วมห้าสเมตรรับพินกับเจ้าตองสูงนะ่ะร้ายกาบเหลือเกินไม่ยอมรอให้เราตามทันเลย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 ฉันดาไม่ถูกนะว่าเราจะไต่ไอทางมหานรกนี่ขึ้นไปอีกนานสักเท่าไหร่ดูมันไม่มีที่สิ้นสุดเลยแล้วก็ร้อนเหมือนถูกอบเชี่ท้าดูนาฬิกาข้อมือขณะนั้นมันเป็นเวลาบ่ายโมงเศษเบื้องบนศีรษะที่แลพานกิ่งใบอันแห้งกรูนของป่าไผ่ขึ้นไปคือดวงอาทิตย์อันแผดจ้าสีงชา ย, ยันร้องเพลงยี่เกที่ขึ้นต้นซ้ำซากว่าโอ้เจ้าชอมะนาว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 ฉันก็ยังเดินอยู่ได้ยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันโอ้เจ้าช่อมะนาวชะเอมงเงยโถ่ร้องก็ไม่ถูกนายทหารเขาว่าโอ้เจ้าช่อมะานาวเห็นนมน้องเขาขา ว, ขาวพี่ยิงหนาวนักบุญคำร้องออกมาเบาๆอย่างครื้ใจใชายันยกมือขึ้นบกหนาวก็ลิงงไงยังก็เดินผ่าไปในกระทะทองแดงตับจระสุกอยู่แล้ว เอาเหอะไม่ต้องร้องอีกแล้วลงได้ขึ้นว่าโอ้จะช่อมมนาวทีไรเป็นอันรู้กันและเดินกันลิ้นห้อยทุกทีปะพาดิตาพรานเท่าหัวเราะเ อ, อิกไงนานทหารหมดสตีมแล้วเหรอมาส่งปืนโตมาบุญคำจะช่วยแบกให้ไม่ต้องหรงยังไงฉันก็ลากมันไปเองผิดนั ก, กเอามันยันแทนไหมถอจะรู้แล้วรู้รถใช้ยันตวาดแวด่นะ พร้อมกับหัวเราะอย่างฉุนฉุนใช้ด้ามไรเฟิลยันก้อนหินผลักต๊กระดึ๊บขึ้นไปจนกระทั่งถึงตำแหน่งที่เชษฐาดารินและมาเรียนั่งหอบอยู่บ่องหน้าแลฟาไอรอนขึ้นไปก็เห็นจอมพลานยืนพิงรากไม้คอยอยู่ข้างบนเหนือขึ้นไปอีกสางปากำลังเคลื่อนที่ต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้งระพินหาที่พักหลบแดดก่อนเถอะเราปีนกนมาสมชั่วโมงแล้วนะ เชิดฐาตะโกนบอกขึ้นไปดึงผ้าขนหนูผืนเล็กที่คล้องคออยู่ด้านในออกมาเช็ดเหงือ่อแล้วเปิดกระติกน้ำออกมาดื่มกล้วคอแข็งใจอพักเดียวครับข้างบนต่าจะสดกว่านี้ตรงนี้ไม่มีที่กำบังเลยเสียงพรานใหญ่บวกบกตอบลงมาพร้อมกระโกมือเป็นสัญญาณเรียกจากนั้นก็หันหลังไต่นําริ้วต่อไปโดยไม่ฟังเสียงและดูเหมือนจะเร่งฝีเท้าอีก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 พวกลูกหาบที่ร่างกายอยู่เบื้องหลังบัดนี้เดินตามขึ้นมาทันกลุ่มของเชษฐาและพา ก, กันไตขึ้นมาพร้อมๆกันเป็นขบวนดารินกบมารีรู้สึกเกะกะไรเฟิลประจํมมือที่สะพายอยู่เป็นอย่างยิ่งเพราะต้องใช้มือทั้งสองยึดเหนียวไปตามก้อนหินและลำไผ่ขณะที่โหนตัวขึ้นไปแต่ต่างคนต่างก็ไม่ยอมสละอาวุธประจํามือไปให้พรานพื้นเมืองคนใดช่วยถือให้แม้ว่าพวกนั้นจะรับอาสามา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 ดารินขมวดคิ้วบนออกมาเบาๆอย่างเคืองๆที่รพินไม่รอแต่พี่ชายบอกมาว่าก็ไม่มีความจำเป็นอะไรที่เขาจะต้องรอให้เสียเวลาไปเปล่าๆนี่หนทางเดินมันเส้นเดียวกันอยู่แล้วให้เขาล่วงหน้าไปก่อนเถอะเดี๋ยวก็ไปรอเราอยู่ข้างหน้าเองอย่ากังวลไปเลยสำหรับมาเรียนหล่อนไม่เอ่ยคำใดทั้งสิ้นเร่งกำลังไต่ขึ้นไปเป็นคนแรกโดยอาศัยร่องรอยที่รพินกับพรานตองสูของหล่อน ทำเป็นเครื่องหมายให้หินไวเพื่อให้เดินตามถูกสัญชาตญาณพรานของแมมสาวสัมแดงออกไม้ ห, หินชัดในด้านความเข้าคล่อ ง, องชำนาญต่อการแกะรอยรอนไม่ใช่นักล่องป่าประเภทสมัครเล่นเลยแต่เป็นอาชีพทีเดียวแหละจากความช่ำชองและคล่องตัวที่ฝ่ายของเชษฐถาสังเกตเห็นอยู่อาการอันเข้มแข็งทรหดของมาเรียดังกล่าวนี่เอง ช่วยให้ดารินมุมาณนะอย่างไม่ยอมด้อยกว่าหลอนติดหลังเพื่อนสาวไปอย่างกระชั้นชิดและหมดเสียงบ่นใดๆลงในทันทีนักมานุษยวิทยาสาวแอบบอกตัวเองในใจว่ายอมเหนื่อยขาดใจตายไปซะดีกว่าที่จะให้ใครๆเห็นว่าหล่อนอ่อนแอกว่ามาเรียเชีดากชายันไตตามมาเบื้องหลังของสองสาวใจเพ็รเพื่อคอยช่วยเหลือในกรณีที่อาจพลาดพลัง้งหลุดร่วงถลหลลื่นลงมา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 หันหน้าลงมาทางเบื้องล่างแล้วผวาร่อนลงมาในลักษณะตกบันไดพลอยโจนทำกลางเสียงร้องลั่นอย่างตกใจของดารินผู้ตามติดอยู่เบื้องหลังโชคดีเหลือเกินที่ชา ย, ยันซึ่งตามมาเป็นบุคคลที่สและอยู่ในระดับต่ําลงไปกว่าดารินเหลือบขึ้นไปเห็นเขาทิ้งไรเฟิลโจนออกไปกลางแขนรับไว้ร่างของแมมสาวร่อนลงมาปะทะเต็มแผ่นอกของอดีตนายทหารปืนใหญ่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 ชัยันคุณเป็นอะไรหรือเปล่ามาเรียร้องละล่ําละลักขณะที่รวบศีรษะของเขาไว้ส่วงอกของหล่อนยังทับอยู่บนอกเขาตาสีเขียวเบิกโพลงย่างตกใจใบหน้าห่างกันช่วงคือชัยันแยกเขี้ยวครางอู้รู้สึกเสียวปราบที่ศีรษะทางด้านหลังยกมือขึ้นกุมปากก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกคุณล่ะฉันไม่เป็นอะไรสักนิดเดียว แต่รู้สึกว่าคุณจะเจ็บนะแล้วหลอนก็พลิกศีสัเขาขึ้นดูพร้อมกับร้องลั่นออกมาเลือดโอ๊ไม้โกดเลือดจากศีสษะของเขาติหอยู่ที่ฝ่ามืออันสันเทาของหลอนช้ ย, ยันสูตรปากเบาๆคลาและยกมือขึ้นมาดูบ้างขณะนั้นเชษฐากระดารินก็กระโดดกลับลงมาร้องถามลัน่นรงเข้ามาช่วยกันฉุดทั้งสองขึ้นนั่งหัวแตก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 ดารินตามหลังพี่ชายเป็นคนที่สองแลนเริ่มใช้ความระมัดระวังเพิ่มขึ้นอีกส่วนมาเรียนนั้นไต่อยู่ใกล้ชิดกระชา ย, ยันอย่างเป็นห่วงเพราะยังไม่แน่ใจว่าเขาจะได้รับบาทเจ็บมากน้อยเพียงไรในการป้องกันหล่อนวายเมื่อครู่นี้ยึงคอยระวังเป็นพี่เลี้ยงให้ระยะ20นาทีที่บุกบันกันขึ้นไปตามรอยที่รพินล่วงหน้าไปก่อน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 ครนใหญ่ตอบยิ้มๆิ้มองดูสีหน้าอันขมุกขมอมอิดโรยของทุกคนขอโทษนะที่ตามขึ้นมาช้าไปหน่อยเกิดอุบิเนต์ขึ้นหลายครั้งหัวหน้าคณะบอกให้เขาทราบในสิ่งที่เกิดขึ้นรพินมีสีหน้าตกใจเล็กน้อยสอบซักถามทุกคนแล้วว่าต้องระวังหน่อยครับทางมันเป็นดินร่วนปนกรวดเพราะเป็นทางน้าไหลบางทีมันก็ชันมากบางทีก็ชันน้อย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 ดารินถามด้วยน้ำเสียงตัดพอ้อก็เพราะพวกเราเร่งที่จะเดินตามคุณให้ทันนะีถึงได้เกือบตกเขากันหลายครั้งผมเห็นว่าเป็นทางที่พอจะตามได้อย่างสะดวกนะแล้วก็ไม่มีอะไรนอกจากแดดร้อนอย่างเดียวก็เลยล่วงหน้ามาต้มกาแฟาไว้ให้ก่อนไงบาดแผลที่ศีรษะของชัยันโดยการวินิจฉัยของดารินไม่มีอะไรจะต้องทำมากไปกว่าเอาทิ้งเจอแตกซึ่งมาเรียเป็นคนแต้มยาให้ อย่างประครับประคองบ่าก็พร่ำพูดในเรื่องที่เขาต้องเจ็บตัวเพราะหลอนชายันขอร้องไม่ให้หล่อนเอ่ยถึงภายหลังจากกินอาหารเสร็จได้นั่งพักสูบบุหรี่ระพินก็งัดเอาแผนที่ขึ้นมาดูอีกครั้งตอนนี้เรากําลังตัดทิวเขาใหญ่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเขาหัวแรงนะครับเขาบอกอย่างไตรตรองแหงหน้าดูทิศทางของตะวันและเอาเข็มทิศออกมาเทียบ เป็นครั้งแรกถ้าพ้นเขาลูกนี้ก็จะลงทุ่งโล่งอันกว้างใหญ่ผ่านป่าแดงแล้วก็เข้าเขตนรกดำแต่ผมเกรงว่าพรุ่งนี้เราจะพ้นเขาลูกนี้ลงถึงทุ่งหรือเปล่าก็ไม่ทราบแล้วก็สงสัยว่าแหล่งน้นจะหาได้ยากในทุ่งนี้ภูมิประเทศมันแห้งแล้งเหลือเกินคุณเคยผ่านทุ่งราบกับป่าแดงตอนนี้มาก่อนแล้วไม่ใช่เหรอใช้เวลาเดินสักกี่วันล่ะ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 จะเป็นการเดินอย่างฝีเท้าของแง่ทายนะครับระยะทางที่แง่รายเคยไปแล้วกับที่ชี้บอกในแผนที่ผมกล่าวว่าคงไม่ห่างกันเท่าไหรนะ่นักเชื่อว่าเราใช้เวลาเดินสี่วันเป็นอย่างสูงก็ไม่เท่าไหร่เลยนี่ชัยยันว่าพานใหญ่หันไปมองหน้าแล้วยิ้มเล็กน้อยครับไม่เท่าไหร่หรอกถ้าเราเดินกันในภูมิประเทศอย่างที่เคยผ่านกันมาแล้วคือสามารถหาแหล่งน้าได้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 และออกเดินตัดทางตัดทุ่งมุมมรณะนี่ไปในเวลากลางคืนครับในายามกลางคืนนั้นทำให้ไม่ร้อนและผ่อนคลายความอ่อนเปลียนลงไปได้บ้างยิ่งกว่านั้นยังบรรทุกน้ำติดหลังไปเท่าที่จะนำไปได้ด้วยเฉิดากับชัยยันหันไปสอบซักงแง่ทรายอยู่ครู่แล้วก็บอกว่าถ้าจำเป็นจริงๆเราก็ต้องทำวิธีเดียวกันแง่ทรายละพอค่าก็ออกเดินทาง พระอาทิตย์ขึ้นก็พักนอนโถพี่กลางเนอะพี่กลางช่างบากบันมุทะลุด้วยความหลงผิดอะไรเช่นนี้เสียงดารินรำพึงแผ่วเบาเศร้าๆต่างตกอยู่ในความเงียบกันไปอีกสายตาอันเยือกเย็นกร้าวกแกร่งของจอมพรานเบนจับมาที่น้องสาวคนสวยของนายจ้าริมวีปากคู่นั้นปรากฏรอยยิ้มน้อย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 ดวงตาทั้งคู่รีลงอย่างขมขื่นปวดร้าวอิจใจต่อมาก็บังคับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นปกติกล่าวถามเป็นงานเป็นการต่อมาว่าเออแล้วทางเดินต่อไปของเรานี่ลหละก่อนจะพักค่ำนี้เป็นยังไงบ้างจะไต่สูงขึ้นอีกไหมระพินจับปลายคางมองนิ่งๆอยู่ในแผนที่แล้วเงยขึ้นกว่าตาสำรวจไปรอบด้านอยู่ครู่ช่วงแรกนี่ก็เดินสบายหน่อยครับเพราะเราจะเลาะไปตามไหล่เขา ต่อจากนั้นก็จะขึ้นสูงอีกพักแต่ผมคิดว่าเราอาจต้องนอนพักกันในระยะที่เดินอ้อมไหลตอนนี้ล่ละครับคงยังไม่ทันไต่ขึ้นหรอกเพราะจะต้องค่ำลงสะก่อนมาเรียขอแผนที่โบราณจากเขาไปดูซุบซิบสอบถามอะไรอยู่กระดารินพักนึงก็เอ่ยขึ้นเป็นการเปรยขอความเห็นว่าถึงแม้ว่าแผนที่นี้จะเขียนขึ้นด้วยมือของคนที่ตายไปแล้วเมื่อ400รอปีก็ตาม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 เฮนิคอปเตอร์สั ก, กลำหนึ่งหรือมิฉะนั้นก็เครื่องบินสำรวจสักเครื่องมันจะช่วยให้เราสะดวกขึ้นกว่านี้สักพันเท่าไหมยน่นระยะทางทุนเวลาแล้วก็ปลอดภัยกว่าก็เป็นเหตุผลที่น่าคิดเหมือนกันนะผู้เอ่ยตอบความสงสัยของมาเรียขึ้นอย่างแช่มช้าคือราชสกุลหนุ่มหัวหน้าคณะใบหน้าเขาปรากฏรอยยิ้มครึมๆแลพวกเราทุกคนที่มานี่ก็ล้วนคิด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 ตรงข้ามสิที่เราบุกบันเดินทางกันด้วยเท้ามานี่นะมันหมดเปลืองซะยิ่งกว่าเช่าเครื่องบินซะอีกแต่เหตุผลที่ทำไม่ได้ก็คือแผนที่ของมังมหานรธาฉบับนี้มันไม่ใช่เอกสารทางภูมิศาสต์อย่างที่คุณเข้าใจเถือเขาพระศิวะที่เรากำลังมุ่งหน้าไปไม่เคยปรากฏอยู่ในแผนที่ทางภูมิศาสตร์ใดๆในโลกทั้งสิน้นนะสมมติว่าเราจะเรียกเอกสารโบราณชิ้นนี้ว่าเป็นแผนที่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 นีแ่แปลว่าเราฝากความหวังทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในแผนที่โบราณนี้อย่างเดียวเท่านั้นเหรือคะมันก็ไม่มีอะไรจะให้เราหวังได้มากไปกว่านี้อีกแล้วอสิเรารู้ว่านายชดหรืออนุชามุ่งหน้าไปเทือกเขาพระศิวะส่วนแผนที่ฉบับนี้ชี้เส้นทางให้แกเราพระเจ้าเท่านั้นแหละที่จะทรงรู้ได้และนั่นก็เป็นความหวังขั้นต่อไปของเราภายหลังเมื่อถึงเขาพระศิวะแล้วชัยยันล่วงเอาแผนที่สากล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 นี่อาจเป็นเพียงการคาดคะเน <c oughs> <c oughs> ก็เป็นการคาดคะเนที่วางรากฐานอยู่บนเหตุผลพอสมควรตามความรู้สึกของฉัน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 ก็ต้องเป็นเขตวาหรือไม่อย่างนั้นก็เหนือขึ้นไปอีกแถบยูนานแกเอาเหตุผลอะไรมาเป็นข้อสนิฐานละ่ะหัวหน้าคณะถามต่ำๆสีหน้าของเขาส่อแววทึ่งอา้าวก็แนวลำสาลวินนี่ยังไงละ่ะอ่ะดูสินี่ น, นี่เราเปรียบเทียบลำน้ำสาลวินในแผนที่สากลฉบับนี้กับที่ปรากฏอยู่ในลายแทงนี่คุนเขาพระศิวะในลายแทงอยู่ทางด้านเหนือของแม่น้านั่นเนี่ย เฉียงไปทางตะวันออกประมาณสิบดีก r ซึ่งตามแนวทางนี้นะมันเป็นเส้นทางที่มุ่งขึ้นด้านเหนือของสาภาพพมา่าถ้าเราขีดเส้นจะพบว่ามันผ่านเขตฉานเขตว่าเรื่อยขึ้นไปบนประชิดพรมแดนจีนตอนใต้อยู่นานนี่นๆๆนนีดูนั่น น, นะนี่นะมาเรียผิวปากบือเฉิดทาตาสว่างวาวขึ้นจ่องนิ่งอยู่ยังเป้าหมายในแผนที่ยังมีอะไรสะดุดใจ ตามคำพูดของสหายส่วนดารินตะครุบแผนที่ทั้งสองแผน่นหันไปสำรวจดูทางหล่อนโดยเร็วในลายแทงของมังมหานราธานี่ทำที่หมายของลำน้ำสารวินไว้ให้ดูเพียงนิดเดียวเท่านั้นเราไม่มีทางจะยึดถือเป็นหลักแล้วนำมาเปรียบเทียบกับแผนที่สากลฉับนี้ได้เลยนี่นะชยันหล่อนร้องออกมาเบาๆมันไม่จำเป็นหรอกน้อย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 มั่นคงราวกับภาพปั้นอันสอถึงเจตนารมณ์แน่วแน่ชนิดไม่มีอะไรมาเปลี่ยนแปลงได้มีอะไรที่คุณลังเลอยู่อีกละ่ะเมแม่มสาวหัวเราะเสียงใสสั่นศีรษะปฏิเสธโดยเร็วเปลา่าค็พี่ยายฉันก็ไม่มีอะไรลังเลหรือหวาดหวั่นพ่านพรึงอะไรหรอกเพียงแต่ประหลาดใจเท่านั้นแหละเมื่อพอจะรู้เป้าหมายว่าเราจะต้องบุกบั่นกันไปถึงไหน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 ประเภทที่ยังนิยมล่าหัวมนุษย์คล้ายๆกับพวกสังขิวที่เราผจนกันมาแล้วน่ะเพียงแต่ว่าพวกวานะไม่ร้ายกาดน่ากลัวเท่าสางังขยวเท่านั้นนี่ถ้าสเตเก้ไม่เสียชีวิตลงสักก่อนและถ้าเขาไม่มีธุระสำคัญจนต้องแยกทางไปตามที่เขาบอกไว้ก่อนตายเขาคงจะยินดีเป็นอย่างยิ่งในการร่วมเดินทางในครั้งนี้มันจะเป็นการสารวจที่มีคุณค่าอย่างที่สุดเละ่ะเราเห็นแต่แรกแล้วละ่ะ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 ข้าวหน้านั่นแลดูกล้านเกรียมมืนซึมผมเข้าใจว่าขณะนี้เราอยู่เหนือรัฐกะยาขึ้นมาแล้ ว, วกี่ยังไงผู้กองรพินตื่นจากผวังเพราะคำถามแบบขอความเห็นนั้นอืมถ้าเปรียบเทียบนะครับถ้าเปรียบเทียบระหว่างลายแทงนี่กับแผนที่สากลก็ควรจะเป็นเช่นนั้นขณะนี้เราน่าจะอยู่ในตอนใต้ของเขตรัฐไทยใหญ่แล้วล่ะ ถ้าตั้งเข็มไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้นี่ก็จะพบกับพรมแดนไทยส่วนใดส่วนหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่อะไรก็ช่างเถอะระหว่างเส้นทางของเราอะ่ะย้ายผ่าเข้าไปในดงของพวกก่อการร้ายในเขตพม่ากันแล้วกันเป็นต้นว่าพวกกระเรียงอิสระพักพวกเก่าของแงซายหรือพวกหนุ่มสึกหารอันเป็นขบวนกู้ชาติของเงียวทิศทางที่เรามุ่งไปมันจะต้องผ่านแดนของเจ้าพวกนี้อยู่แล้ว โอ้ยประเดี๋ยวก็ยุ่งกันใหญ่เจ้าพวกนี้มันกาลังทาศึกอยู่กับพม่ม่าพวกเราขืนเซอซาผ่านเข้าไปมันก็ต้องเข้าใจผิดแน่ๆละ่ะชายันปลารบมาอย่างกังวลกระพินสั่นหัวผมรับรองว่าไม่ล่ะครับจริงอยู่เส้นทางของเราเนะ่อยู่ในเขตของพวกนี้ก็จริงแต่มันเป็นกลางดงดิบกันดานนะครับไม่มีพวกมันอาศัยอยู่หรอกพวกก่อการร้ายของพอมา่า ถ้าจะอยู่ก็อยู่แค่เพียงเขตใกล้ๆเมืองเท่านั้นแหละเพราะออกนอกเส้นทางของมันน่ะไกลลิฟถ้าจะเจอก็เห็นจะเป็นพวกมนุษย์สมัยหินประเภทเดียวกับสางเขียวนั่นแหละครับไม่มีวันเจอมนุษย์ที่จเจริญแล้วอย่างแน่นอนตั้งแต่ออกจากหลุมช้างมาแล้วน่ะมันเป็นสัญญาณให้รู้ว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเราจะไม่พบเห็นอะไรอีกนอกจากสิ่งนอกสำรวจในดินแดนสนธยาแหละครับ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 เขาสังเกตเห็นสีหน้าของหล่อนเจือนลงเล็กน้อยแล้วก็เป็นปกติตามเดิมมองตอบเขาด้วยสายตาตรงนี่ไม่ต้องหันมามองใช่หรอนายพรานหล่อนพูดเบาๆก็บอกแลยยังไงว่าพวกเราทุกคนกินได้ยังไงฉันก็กินได้ยังงันต่อไปนี้จะไม่ขัดคอแล้วละ่ะสมมติว่าคุณจะหากิงเหลนกิ้งกาหรือตะโกดมาเป็นอาหารน่ะถ้าไม่จำเป็นจริ ง, รงๆก็คงไม่ถึงขนาดนั้นนะครับ ในกรณีที่พวกเราสามารถกินอาหารเพื่อประทังชีวิตได้โดยไม่เลือกก็เป็นอันพ้นข้อกังวลไปเมื่อมีปลาที่ไหนก็มีเนื้อและพืชผักพอที่จะใช้เป็นอาหารยังชีพได้ที่นั่นแหะถ้าเรารู้จักหาคนของผมสี่คนสมทบด้วยขยินสร้างปลาและก็แง่ทรายรับรองได้ว่าโอกาสที่พวกเราจะอดนั้นมีน้อยมากเพราะพวกนี้ชํานาญเป็นพิเศษในเรื่องแสวงหาอาหาร รู้ดีว่าจัดหรือพืชชนิดไหนกินได้ชนิดไหนมีอันตรายแม้ในถิ่ที่กันดานที่สุดยังมีอาหารกระป๋องสำรองพิเศษที่ใช้ในยามขับขันขีดสุดได้ถึงอาทิตย์เต็มๆอย่างนี้มันก็สบายใจได้แล้วครับแล้วเขาก็หัวเราะเบาๆกล่าวต่อมาว่าก่อนอื่นผมต้องขออนุญาตคุณหญิงในสิ่งที่เคยห้ามไว้เมื่อสมัยก่อนนี้มันจเป็นใช่แล้วละครับแล้วก็ต้องถือเป็นอาหารหลัก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 เหน่ยนักก็พักนอนระยะทางมันยาวไกลนะักการอมการสงวนพลังงานถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของพวกเราหนทางเดินในช่วงหลังนี้สะดวกสบายขึ้นเพราะเป็นพื้นราบในระหว่างไหลเขาใหญ่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 ระพินผู้เดินนำไปเบื้องหน้าสำรวจดูร่องรอยของสัตว์อยู่ตลอดเวลาแต่ทุกคนก็ไม่เห็นเขาเอ่ยเช่นไรนอกจากสันส่นศีรษะกระตนเองอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าไม่มีวี่แววของสัตว์สี่เท้าใดๆพอจะมาเป็นอาหารได้เลยในที่สุดมันก็ท่อต่ำลงไปสู่หุบอันเป็นตำแหน่งบรรจบของเชิงเขาสองลูกต้นไม้แต่ละต้นแลเห็นละทาให้ใจฟอเพราะมันล้วน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 ผิดไปกว่าการหงด้วยหม้อสนามซึ่งเปลืองเวลามากกว่าเพราะทุกคนว่างมือหลงนั่งพักล้อมกองไฟสางปากับขยินก็ฉวยได้ปืนประจำมือคนละกระบอกชวนกันเดินหายเข้าป่าเพื่อหาสเสบียงเนื้อสดมาเพิ่มเติมไม่มีใครจำเป็นจะต้องห่วงเจ้าลูกไพรสองคนนั่นเพียงแต่เชษฐถาํำชับไม่ให้ไปนานนักเข้าล้ำที่อยู่ในกระบอกไม้ไผ่ โดยวางพิงว่ากระกองไฟยังไม่ทันจะสุก ด, ดีแสงโพล่เพลปกคลุมไปทั่วทั้งป่าใหญ่ทุกคนต้องชะงักการสนทนาอย่างกระทันหันเพราะแผดเสียงสนั่นของปืนดังสะท้านกล้องป่าไม่ห่างออกไปนัก <c oughs> เอ๊ะนั่นเสียงไรเฟิลคงจะเป็นสั่งปลาซัดอะไรเขาแล้ ว, วสิมาเรียร้องออกมาเบาๆทุกคนมีอาการปกติไม่ได้ตื่นเต้นในใจอะไรนัก